เมื่อเอกคตาที่เกิดขึ้นสืบเนื่องกันไปจิตก็มีกำลังมากยิ่งขึ้นใจก็ตั้งมัน่นเมื่อใจตั้งมั่นที่เป็นไปกับคำสอนความรู้ความเข้าใจในพระธรรมก็จะมากขึ้นความรู้ความเข้าใจในพระธรรมที่มากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเนี่ยอันนี้แหละที่เรียกว่า ร, รมเรียกว่ารู้อัดรู้ธรรมก็จะก่อให้เกิดปีติและปราโมทในกุศลธรรมปีติปราโมทอันนี้ ผู้ที่เจริญได้ถูกต้องอันนี้เรียกว่าเจริญปีติสามโพชงเพราะว่าปีติอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเหตุอย่างหนึ่งที่ทําให้เกิดการตรัสรู้ได้เนี่ยนะเป็นปัจจัยที่สําคัญให้เกิดการตรัสรู้เพราะความรู้อรู้ธรรมนี้ก็เป็นธรรมวิจยะสามโพชงนะนะลึกเป็นไปในพระธรรมอยู่เสมอก็เป็นสติสามโพชงนะก็จิตตั้งมั่นก็เป็นสมาธิสามโพชง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 สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสรุปใหม่ๆประทับอยู่ที่ควงไม้มุเจลินใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชาตําบลอุรุเวลาสะมุเจลินหรือต้นมุเจลินอันนี้เนี่ยอยู่ห่างจากต้นโพประมาณ2กิโลนะนะสะมุเจลินข้างๆนั้นเป็นสะจำลองสะจริงๆเนี่ยอยู่ห่างจากตรงนั้น2กิโลยังเป็นท้องทุ่งนาอยู่เลย ก็ไม่มีใครไปบูรณะปฏิสังขร อ, อะไรก็สมัยนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งสเสวยวิมุติสุขอยู่ด้วยบลังอันเดียวตลอดเจวันในสมัยนั้นอาการละเมอกใหญ่เกิดขึ้นแล้วแื่ว่าเป็นเมฆที่ตกไม่ใช่ตกต้องตามฤดูการเป็นเมฆฝนพิเศษมาฝนตกพรมตลอดเจวันมีลมหนาวปะทุสราย ถ้าอยู่กลางแจ้งอยู่โคลนไม้นี่ชัดมากเลยนะฝนตกหนักๆเจ็ดวันเนี่ยนะแล้วก็ลมโชยด้วยหนาวเย็นจะเยือกเนี่ยนะถ้าหากว่าฝนมันฝนเนี่ยสาสาลงอ่ะไหมค ว, ว่ามันไม่ค่อยตกพวกรินพวกรายเนี่ยเยอะไปหมดอกีกเนี่ยนะยุงก็เยอะอกีกตกหนักก็นาวเน็บอกนะีกเนี่ยใครที่เคยอยู่ท้องทุ่งเนี่ยจะรู้ชัดเลยว่าไอ้ฝนตกแบบนี้เนี่ยมันทรมานขนาดไหน ถ้ายิ่งไม่มีร่มไม่มีกระท่อมด้วยเนีหนักมากอย่างพระผู้มีพระภาคตอนที่พระองค์ประทับนั่งเนี่ยไม่มีกระท่อมอะไรหรอกเนี่ยนะก็นั่งอยู่โคนไม้ธรรมดานี่แหละแล้วที่นั่งเนี่ยถ้าหากว่าคนทั่วไปไปนั่งเนี่ยยังนึกไม่ค่อยออกว่านั่งยังไงเพราะมันชื้นมากอะ่ะพื้นดินฝนตกพรมๆเนี่ยมันก็ชืน้นเนี่ยนะแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีความเพียรที่ยิ่งใหญ่ที่ไหนบ้างที่พระองค์ประทับอยู่ไม่ได้เนี่ยนะ ครั้งนั้นแลพยามุเจลินนาคราชออกจากที่อยู่ของตนมาวงรอบพระกายของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยขนดหางเจ็ดรอบแผ่พังพานใหญ่เบื้องบนพระเศียรด้วยตั้งใจว่าความหนาวอย่าได้เบียดเบียนพระผู้มีพระภาคเจ้าแดดแความร้อนอย่าได้เบียดเบียนพระผู้มีพระภาคเจ้าสัมผัสแห่งเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานอย่าได้เบียดเบียนพระผู้มีพระภาคเจ้า มันก็อาศัยพญานาคกันนะพญานาคมาทําเป็นมาวงล้อมอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะสมัยใหม่เขาเรียกว่าปางอะไรปางนาคปลกใช่ไหมพระพุทธรูปปางนาคปลก น, นะครั้นพอล่วงสัปดาห์นั้นไปพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จออกจากสมาธินั้นคือเสด็จออกจากอรหัตตผลสมาธินี่นนะครั้งนั้นพญามุจลินนาคราชทราบว่าอากาศปรง่งปราศจากเมฆแล้วจึงคลายขนดหางจากพระกาย พระผู้มีพระภาคเจ้าเนรมิตเพศของตนคือเ น, ร, เนรมิตเป็นหนุ่มนะเป็นชายหนุ่มยืนอยู่เฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าประนมอัญชลีนมัส ก, การพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่ลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเนื้อความนี้แล้วจึงส่งเปล่งอุทานขึ้นในเวลานั้นว่าวิเวกเป็นสุขของผู้ยินดีวิเวกนี่เป็นชื่อของนิพพานะนะน่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 มันเมตตากรุณานี้เป็นเหตุให้มีความสุขความเป็นผู้มีราคะไปปราดแล้วหมายความว่าไม่มีราคะเนี่ยนะก็คือก้าวล่วงซึ่งกิเลสกามทั้งหลายเสียได้ในโลกเนี่ยเป็นสุขความนําออกซึ่งอัศมิมาณะเสียได้นี้แหละเป็นสุขอย่างยิ่งถ้าไม่มีความถือตัวซะอย่างเดียวเนี่ยมันเป็นความสุขจริงๆต้องไม่ถือตัวด้วยอรหัตตมรรคนะ เพราะบางคนเข้าใจผิดก็เลยปล่อยตัวไปเลยก็มีอีกอันนั้นก็เกินไปท่านะนะนคำว่าไม่มีอัสมิมานะก็คือกำจัดความถือตัวด้วยอรหัตตมรรคได้เป็นความสุขที่แท้จริงมาค่อยดูข้อความอัตรกรถาทบทวนตามลำดับที่บอกว่ามหาอากาะเมโคเนี่ยนะก็คือเมฆที่เกิดขึ้นในเมื่อยังไม่ถึงฤดูฝนช่วง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 เมษาบางปีเนี่ยน้ำท่วมใครจะไปเชื่ อ, อ น, นบางทีกุมพาน้ำท่วมอย่างเงี้ยนะแตกประหลาดมากแล้วก็เป็นยุคสมัยที่ไม่มีอะไรแน่นอนเหมือนใจนี่แหละมหาอาการละเมอเกิดขึ้นเต็มห้องจักรวาลทั้งสิ้นในเดือนสุดท้ายของคิมหันฤดูคือฤดูหนาว สัตตาหวัตถลิกาเมื่อมหาอาการลเมฆนั้นเกิดขึ้นแล้วได้มีฝนตกไม่ขาระยะตลอดเจ็ดวันก็คือฝนพรมตลอดเจ็ดวันมุจลินโทนามะนาคราชาได้แก่พญานาคผู้มีอนุภาพมากบังเกิดในนาคพิภพอยู่ภายใต้สะโบกกรณีใกล้ต้นมุจลินนั่นแหละอันพญานาคเนี่ยถ้าบุญมันให้ผลพร้อมที่จะมีวิมานอยู่ตรงไหนก็ได้ อยู่ใต้สะแห่งไหนก็ได้เนี่ยนะพันเคยบอกว่ามีพญานาคมนน้าโขงก็ไม่น่าแปลกใจอะไรก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยนะตามพระไตรปิฎกนี่การพูดถึงนาคพูดถึงอมนุษย์พูดถึงผีพูดถึงเทวดาอุยเป็นเรื่องเป็นเรื่องธรรมดาจริงๆไม่ได้เป็นเรื่อ ง, น, อ ง, ง, ง, ง, น, องน่าอัศจรรย์อะไรเลยเนี่ยนะพญานาคนี้แผ่พังพานใหญ่บนเบื้องบ น, บ น, บนส่วนพระเศียรของพระผู้มีพระภาคเจ้า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 เราจะทำความขวนขวายทางกายแก่พระทศพลจึงเนรมิตกายให้ใหญ่ใช้ขนดใช้ขนดล้อมพระศ า, ศาสดาเจ็ดรอบแล้วแผ่พังพานไว้เบื้องบนก็คือถ้าหากว่าเนรมิตปราศาสขึ้นใช่ไหมร่างกายเราไม่มีสาระอะไรเลยนะไม่มีประโยชนากร่างกายเลยเพราะฉะนั้นควรสแสวงหาประโยชนากร่างกายก็เอาการเนี่ยเป็นวงล้อมของเราทั้งหลายนี่วิ่งนีเลยนะ งูบล่มขนาดนั้นเนี่ยนะพญานาคเนี่ยหนีเลยแหละว่างั้นแต่ว่าพระองค์ก็พระองค์ไม่ได้มาคิดเรื่องนี้หรอกเนี่ยทีนี้พญานาคเนี่ยนะท่านขนดภายในวงล้อมเนี่ยเท่ากับเป็นห้องเลยนะเป็นปราสาทก็คือเป็นห้องเลยได้ยินว่าพญานาคนั้นมีอัธยาศัยดังนี้ว่าพระศาสดาจักประทับนั่งอยู่ด้วยอิรอิประทับอยู่ด้วยอิริยาบทที่ทรงมุ่งมา่ปรารถนา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 หลีกเลนแล้วเข้าพระสมาบัติมีนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยนะเป็นความสุขพระองค์ก็เลยอุทานอุทานเป็นการเปล่งอุทานด้วยอนุภาพหรือแสดงถึงอนุภาพแห่งความสุขที่เกิดจากวิเวคคือสุขที่เกิดจากพระนิพพานบทว่าสุขโควิเวโกได้แก่อุปทิวิเวกล่าวคือพระนิพพานนี่เป็นเหตุนํามาซึ่งความสุขนะนะิพพานังประมังสุขขังที่เคยได้ยินว่า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 บางคนเนี่ยสันโดดเลือเกินเนี่ยนะกุศลอะไรก็ไม่ทําเลยเขามาเจอตรงนี้เข้าในเงียบเลยใช่ไหมสันโดดด้วยมัคซีสันโดดจริงนะต้องสันโดดด้วยโสดาปฏิมัคสกาาคามีมัคอนาคามีมัคและอรหัตตมัคเนี่ยนะถ้าสันโดดจริงต้องสันโดดด้วยมัคซีแต่บางคนก็บอกไม่ทําอะไรเลยกลายเป็นคุณสันโดดเนี่ยนะก็อันนั้นก็ธรรมะของคนขี้เกียจอะสิแต่นี่ไม่ใช่นะไม่ใช่ธรรมะของผู้ขี้เกียจแต่เป็นความสันโดดในอริยมัคทั้งหลาย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 ที่บรรลุด้วยกําลังแห่งความเพียรของตนญาณจักรสูในรู้อะไรญาณจักอุทะปาทิญาณอุทะปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชาอุทธปาทิอาโลกอุทะปาทิวันนี้ทุกสมุทัยนิโรธมากเ่ยนะฮะญาณจักรสูนั้นก็คือจักรสูที่เห็นอริยสัจผู้ที่เห็นอริยสัจนั้นเห็นด้วยกําลังแห่งความเพียรกําลังแห่งวิริยะเห็นอริยสัจนี้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 มันไม่ดีด้วยจะสุขไหมคิดว่นะมีแต่ทุกข์อย่างเดียวเลยนะพันการผ่านพ้นจากการมราคะได้เนี่ยเป็นความสุขพ้นด้วยอะไรพ้นด้วยอนาคามีมรักนะอสมิมานะวินโยกําจัดมานะเนี่ยนะวินัยตัวนั้นแปลว่ากําจัดกําจัดอสมิมานะได้กําจัดด้วยอะไรด้วยอรหัตตมรัก ยิงอยู่พระรหัตตรัสว่าอสมิมาน ะ, ะสัตติปัสสัตถิวินโยการกําจัดอสมิมานะด้วยปฏิปัสสัตถิก็เป็นชื่อพระรหัตนะถ้าอารหัตเฉยๆเนี่ยเป็นชื่อของอะรหัตตผลผู้ที่เข้าถึงอะรหัตตผลได้นั่นแหละก็ไม่มีอสมิมานะโดยประการทั้งปวงอันนี้ชื่อว่าความสุขยิ่งไปกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเนี่ยเป็นความสุขสุดยอดแล้วนเนี้ย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 พระนิพพานถ้าอย่างเนี้ความสุขแน่เป็นความสุขที่ที่แท้จริงน่ยนะบุญแล้วก็ตั้งความปรารถนาะบุญที่เราเจริญจงเป็นปัจจัยให้ได้ประสบความสุขอันนี้ด้วยเธอเนี่ยนะ เ, เราเกลียดความสุขหรืออย่างไรอา้าวก็สัตว์พูดเกลียดทุกข์รักสุขเหมือนกันเนี่ยนะแต่ทีนี้ว่าโดยมากไม่ค่อยกล้าปรารถนาะความสุขอันนี้แบบตามสภาวะนะคําำนี่อาจจะใช่ละแต่อัธยาสาัยนี่ยังไม่พอ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 อารามของท่านอนาถบินธิกะเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีสมัยนั้นแลเมื่อพิสูจทั้งหลายมากด้วยการกลับจากบินทบาทภายหลังพัดแล้วนั่งประชุมกันในศาลาเป็นที่บำรุงเรียกว่าอุปถานศะาลาศาลาฟังธรรมเนี่ยนะนะก็เกิดสนทนาขึ้นในระหว่างว่านะไม่รู้ใครจับประเด็นขึ้นนะนะดูก่อนอาวุโศทั้งหลายบรรดาพระราชาสองพระองค์นี้คือพระเจ้าพิมพิสาร พระเจ้าแผ่นดินมาคดจอมทัพพระนามว่าพิมพ์พิสารก็ดีพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็ดีองค์ไหนหนอแลมีพระราชทรัพย์มากกว่ากันมีโภกขสมบัติมากกว่ากันมีท้องพระคลังมากกว่ากันมีแว่นแคว้นใหญ่กว่ากันมีพาหนะมากกว่ากันมีกําลังมากกว่ากันหรือมีอนุภาพมากกว่ากันพระเจ้าประเสริฐที่โกศลกับพระเจ้าพิมพ์พิสารจริงก็เป็นอะไรนะต่างฝ่ายก็ต่างเป็นน้องเคยซึ่งกันและกันนะครับก็ อันนั้นเป็นการยาศึกอีกวิธีหนึ่งใช่ไหมพระพิสุก็มานั่งคุยกันว่าใครรวยกับกอันนั้นสรุปเนี่ยพระราชาสององค์เนยนะก็พระราชาใหญ่ๆสมัยก่อนเนี่ยมีอยู่สององค์ใหญ่กว่เพื่อนเลยคือพระเจ้าพิมพ์พิสารกับพระเจ้าเปรสเซนที่โกสนอนนะการสนทนาในระหว่างภิกษุเหล่านั้นค้างเพียงนั้นครั้งนั้นเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จออกจากที่หลีกเรนก็คือ ไอ้คำว่ารีเกรนเนี่ยเจอที่ไหนให้ให้โน้ตได้เลยว่าออกจากการเข้าพร ะ, ะสมาบัติมีนิพานเป็นอารมณ์เนี่ยนะรีเรนอ่ะนะไม่ใช่เป็นนั่งเงียบๆจอ้องเงียบเป็นหลับไม่ใช่พระองค์นี้ก็เสด็จเข้าไปยังศาลาเป็นที่บำรุงประทับนั่งบนอาสนะที่บุคคลปูราดไว้ครั้นแล้วตรัสถามพิสูจทั้งหลายว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายบัตดนี้เธอทั้งหลายนั่งประชุมสนทนากันด้วยเรื่องอะไรเนาะงานของเราในตอนทานอาหารคุยเรื่องอะไรอริยสัจนะ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 นะพระเจ้าพิมพิศาเนี่ยคําว่าพิมพิเนี่ยนะตัวนั้นอนะ่ะประดุจปชื่อทองเลยนะก็เรียกว่าเป็นผู้ที่รูปงามมากนะผิวพรรณประดุจทองแล้วก็เป็นจอมทัพแผ่นดินมคต์เนี่ยนะกับพระเจ้าประสเสนที่โกศลก็ดีองคไหนหนอแลมีพระราชทรัพย์มากกว่ากันมีโภกสมบัติมากกว่ากันมีท้องพระครกกกกะกกลังมากกว่ากันมีแว่นแควนมากกว่ากันมีพาหนะมากกว่ากันมีกําลังมากกว่ากันมีฤทธิ์มากกว่ากันมีอนุภาพมากกว่ากัน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 อาจจะวงแตกเป็นสองกลุ่มใช่ไหมกลุ่มหนึ่งอะนะถ้าถ้าเป็นพวกพิสุที่มาจากแควนมคตโอ้ต้องพระราชามคต์สิยิ่งใหญ่นะถ้าพิสุกลุ่มเมืองสาวัตถีก็บอกพระเจ้าประเซนสิยิ่งใหญ่นะเพราะทุกคนเพรอคุยอย่างนี้เข้าเนี่ยนะมันก็เริ่มแยกและคําถามประเภทนี้เนี่ยที่จริงอะถ้าเป็นพระพิสุไม่ควรเอามาตั้งแล้วโจดคุยกันแบบนี้หรอกไม่ได้มีประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เลยเตือน พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนพี่สู่ทั้งหลายการที่เธอทั้งหลายเพ่งกล่าวถ้อยคําเห็นปานนี้นั้นไม่สมควรแก่เธอทั้งหลายผู้เป็นกุลบุตรออกบวชเป็นบรนประชิต ด, ด้วยศรัทธาเลยโอ้ยคํานี้เนี่ยหนักที่สุดเลยนะออกบวชมาแล้วเนี่ยนะไม่สมควรเลยนะบวชด้วยศรัทธาเลื่อมใสในพระผู้ศัเจ้ามาคุยเรื่องนี้นี่ไม่ไม่เหมาะเลยไม่เข้าท่าเลยอย่างนั้น ดูก่อนภี่สูทั้งหลายเธอทั้งหลายประชุมกันแล้วควรทำเหตุสองประการคือทามีคถาหรือดุษฎียภาพดุสเนียภาพอันเป็นของพระอริยะคือนิ่งอย่างพระอริยะนั่นเองลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเนื้อความนี้แล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าการ ม, มาสุขในโลกและทิพยสุขยอมไม่ถึงเซี่ยวที่16 แห่งสุขคือความสิ้นตัญหาหมายค่าว่าสุขในกามหรือสุขในสวรรค์หรือสุขที่ไหนก็ช่างเถอะยังไงมันก็ไม่ได้สุขเท่ากับการบรรลุเป็นพระอรหัน์อะไรหรอกการบรรลุเป็นพระอรหัน์มีนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยสุขที่สุดแล้วเนี่ยนะก็ที่จริงไอ้ผู้มีอํานาจเป็นต้นที่กล่าวว่าพระราชามีทรัพย์มากมีโภคะมากมีท้องพระคลังมากคือท่านเชื่อว่าบุคคลผู้มีสิ่งเหล่านี้เป็นผู้ที่มีความสุข ไม่อย่างนั้นรอกคนที่มีความสุขที่แท้จริงคือคนที่เส้นตันหานั่นแหละเป็นผู้ที่มีความสุขจริงเนี่ยนะโยมคนหนึ่งเขาเล่าให้ฟังว่าผมเนี่ยนะครับบ้านผมมีแอร์1 8ตัวแต่ผมเนี่ยร้อนมากวา่าไนผมต้องไปนั่งอยู่ที่วัดมันจึงจะเย็นเ่างเขาเขารออย่างนั้นนะพันธบางทีก็อาจไม่ได้ช่วยให้เย็นก็ได้เนี่ยนะพัาธ์คำว่าความสุขที่แท้จริงเนี่ยมันสุขสุขเนจริงๆอยู่ที่ไหนสุขอยู่ที่ไหน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 นี่มาดูาพระภิกษุที่มานั่งประชุมกันเนี่ยนะประชุมกันถึงเรื่องมีทรัพย์มากใครมีทรัพย์มากมีริดมากมีข้าวของเครื่องใช้มากเป็นต้นไม่อานนะนะว่าระวังพระราชาพระเจ้าประสเสนที่โกศลกับพระราชาพิมพ์พิสารเนี่ยนะไม่คุไไไ้ไม่ไม่ไม่อานล้มาดูหน้าหนึ่งร้ยเจ็สิบเอ็ดดีกว่านะพูดถึงเวลาเย็นที่พระผู้มีพระภาคออกจากที่เร้นเลยว่า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 บางกลุ่มเนี่ยก็จะเป็นลักษณะนั้นสมัยพุทธกาลเนี่ยพระพิสุไปบิณฑบาตก็ได้อาหารที่ประนีตก็แบ่งเอาไปถวายพระพุทธเจ้าพระองค์นี้เสด็จออกจากกรุงสาวัตถีพร้อมด้วยพิสุทั้งหลายแล้วก็เสด็จเข้าพระวิหารประทับยืนที่หน้ามุกพระคันทกุตีประธานสุขโตวาดตามที่ยกขึ้นแสดงแก่พิสุทั้งหลายผู้มายืนอยู่แล้ว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 พระองค์ให้อวาตอย่างนี้เสร็จพิสุก็จะขอกรรมฐานขอกรรมทานพระองค์ก็สอนธรรมะให้ไปกรรมฐานก็คือสอนธรรมะนั่นแหละสอนธรรมะพระพิสุเหล่านั้นก็ทรงจําพระธรรมนะก็หลีกเล้นไปพระองค์ก็เข้ากุฏิไปแต่เข้ากุฏิก็ไม่ได้เข้าไปหลับอะไรนะเขเข้าไปเข้าพระสมาบัติเมื่อพิสุเหล่านั้นไปยังที่พักกลางวันมีโคนไม้ในป่าเป็นต้น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 เหมือนอะไรประดุดไกรสอนราชสีออกจากถ้ำทองมีพระดำเนินเยื้องกลสง่างามด้วยพระวรากายอันไม่โยกโคลงเหมือนช้างตัวประเสริฐซึ่งซับมันเข้าไปสู่โคลงฉะนั้นทรงกระทาวิหารทั้งสิ้นให้มีแสงสว่างเป็นอันเดียวกันพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นครั้งคราวไปบางครั้งนี่แผ่รัศมีไปหมดก่อนแล้วพองค่อยเสด็จไปแผ่รัศมีให้สว่างว่าตอนนี้พพุทธเจ้าเสด็จแล้วนะ บางทีก็มาแบบเงียบๆไม่มีใครรู้เลยบางทีก็หายตัวมาปรากฏเฉพาะหน้าเลยก็มีเาพระ อ, องค์ก็ตามสมควรแก่สถานการณ์ว่าจะทำอย่างไรตรงนี้พระ อ, องค์ก็แผ่รัศมีไปเนี่ยนะด้วยพระรู ป, ปรกายสมบัติอันรุ่งโรจน์ด้วยมหาปริศลักษณะ32ประดับด้วยอนุพยัญชนะ80ประกอบความงามอันแวดล้อมด้วยพระสมีด้านลวาประดับด้วยเกตุมาลาอันประพัฒ ส, สอน ชายพระพุทธรัศมีมีสีหประการพันะก็คือสีหประการคือสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวหงสบาดและประพัดสอนพุทธานุภาพอันนี้เป็นอาจินไตประกอบด้วยพุทธลีลาอันหาที่เปรียบไม่ได้เสด็จเข้าไปยังอุทถานศสาลาสาลาเป็นที่บำรุงสาลาเป็นที่ฟังธรรมเนี่ยนะใครเห็นก็เลื่อมใสหมดเลยนะ เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าไปอย่างนี้แล้วทรงเห็นภิกษุเหล่านั้นแสดงวัดเงียบอยู่คือพระภิกษุนี่พอรู้ว่าพระพุทธเจ้าเข้ามานี่เงียบปดเลยพระองค์ก็ดมริว่าเมื่อเราไม่กล่าวภิกษุเหล่านี้ก็จะไม่กล่าวแม้แต่ความไม่พูดเลยนะถ้าพระองค์ไม่ตรัสขึ้นก่อนเนี่ย พ, พวกนี้จะนั่งนิ่งจนตายเพราะความเคารพในพระพุทธเจ้าไม่ยอมพูดเลยของเราก็ต้องรอให้เขาพูดจบก่อนแนละ้ค่อยคุยอย่างงี้นะ ก็ไม่เป็นไรก็คนละยุคแล้วทีนี้พระพุทธเจ้าก็ประวณาด้วยประวัณาของสัพพันยูอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอนั่งสนทนากันในที่นี้ด้วยเรื่องอะไรเนาะและเรื่องอะไรและเรื่องของพวกเธอเนี่ยเป็นไน ย, ยังไม่จบลงเพราะการมาของเราเป็นเหตุพวกเธอเพึงให้เรื่องนั้นจบลงเถิดคือหมายคะว่าก่อนที่พระองค์จะเสด็จเข้ามานี่คุยเรื่องอะไรกันอยู่ อันนะั้นเรื่องของเธออย่าเสียหายเลยเนี่ยน ะ, อะพอพระ อ, องค์ประทับนั่งบอกว่าคุยกันต่อนะคุยให้จบเรื่องเลยนนะไม่ไม่ต้องเปลี่ยนเรื่องหรอกว่างั้น <c oughs> แต่ทีนี้ว่าพระพุทธเจ้านี้เป็นผู้ที่หันหน้าออกจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ให้หันไปหาสิ่งที่มีประโยชน์นะถ้าคุยเดรฉานคาถาพออระองค์ก็ดึงไปหาธรรมะนั่นแหละแต่นี้ที่พระพิสุก็เล่าให้ฟังใช่ไหมเล่าให้ฟังว่าคุยเรื่องอะไรคุยเรื่องพระราชาสองคนนี้ใครรวยกับกัน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 นะแล้วก็เชื่อว่าพระรัตนตรัยคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่สอนธรรมะเพื่อความพ้นทุกข์ก็คือรู้กรรมและผลของกรรมเป็นอย่างดีขณะเดียวกันก็เชื่อมั่นว่าพระรัตนตรัยนั้นช่วยเราออกจากวัตทุกข์ได้เป็นอย่างดีเนี่ ย, น, ยนะมันผู้เรียกว่าเป็นผู้ที่มีศรัทธาพอมีศรัทธาก็ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตอธิบาย โยชนานี่แปลแปลว่าประกอบเนื้อความดังต่อไปนี้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปฏิเสธข้อที่ไม่สมควรของบันปะชิตผู้ประชุมกันอย่างนี้ว่าพิสูุทั้งหลายพวกเธอเนี่ยนะที่มาบวชนะไม่ใช่ถูกพระราชาบังคับไม่ใช่ถูกโจบรบังคับบางทีก็บอกว่าไม่ได้บวชหนีพระราชาไม่ได้บวชหนีโจรไม่ใช่มีคดีเพราะติดหนี้เป็นต้น แล้วก็ที่มาบวชก็ไม่ใช่ว่าหมดทางอยู่กินแล้วะนะไม่มีทางไปแล้วพรันไม่ได้บวชเพื่อจะเลี้ยงชีวิตโดยที่แท้พวกเธอออกจากเรือนบวชในศาสนาของเราก็บวช ด, ด้วยศรัทธานะศรัทธาว่าเราเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนนะและก็มีศรัทธาในพระตนะตรายว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมเป็นที่พ้นทุกข์แล้วบัดนี้พวกเธอกล่าวเดียรชานคา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 บัดนี้เมื่อจะทรงอนุญาตข้อปฏิบัติอันสมควรแก่พิสษุเหล่านั้นจึงตรัสว่าพิสูุ์ทั้งหลายกิจสองอย่างที่พวกเธอผู้ประชุมกันพึงกระทำสองอย่างคืออะไรหนึ่งกล่าวทรมีกระถาะกล่าวพร้อมกันเลยไม่หรือเอาอยัางไงแย่งกันพูดไม่ใช่ก็พูดทีละคนเป็นต้น น, นะนะ ก, ก็เอาให้เหมาะไปแล้วกันนะว่าสนทนาก็สนทนาฟังก็ฟังไปทำมีกระถาหมายความว่าสนธนาทำหรือฟังทำนั่นแหละ อันนี้ในที่หนึ่งนะในที่สองก็เป็นผู้นิ่งอย่างพระอริยะอธิบายอธิบายธรรมมีกถาคำว่าธรรมมีกถาคือถ้อยคำที่ไม่ปราศจากธรรมะคือสัจจะสี่ <c oughs> เคยมีบางวัดเขาก็สนทนาเพอเจอกันไปเรื่อยเรื่อยรืยคุยกันเจ็บนะบอกว่าสนทนาอะไรกันอยู่ก็ว <c oughs> ่าก็สนทนาเรื่องนี้แล้วมันอริยสัจยัยงไงก็มันไม่เที่ยงอะครับเขา่องั้น พออาจารย์เดินมาก็บอกมันไม่เที่ยงครับก็เลยบอกอาจะาหาทางเข้าให้มันได้สักคำหนึ่งอ่ะนะตะโกนเลียมมากเหลือเกินลักษณะกิริยาดังที่กล่าวไปเรียกว่าคนมีมายาเนี่ยนะหลอกลวงทามีกาถานั้นต้องเป็นคำพูดที่ไม่ปราศจากสี่หมายว่าพูดต้องสอดคล้องต่ออริยสัจ ท, ทั้ง4คือถ้าพูดถึงทุกขศาสตร์ก็พูดในฐานะปริญญา พูดถึงสมุทัยศัตว์ไม่ได้พูดเพื่อส่งเสริมแต่พูดเพื่อละพูดถึงนิโรสัจจะก็เพื่อทำให้แจ้งพูดถึงอริยมรรคก็ประสงค์จะเจริญนี่นะอธิบายว่าเทธรรมเทศนาอันแสดงถึงปวัตตะและนิวัตตะปะวัตตะคือทุกขสัตว์ที่เป็นไปนิวัตตะคือนิโรสัจจะนั่นเองก็ธรรมกถากล่าวคื อ, อบางทีก็สนทนากถาวัตถุสิบก็ได้นี่นะ กถาวัตถุสิบก็คืออะไรสนทนาเรื่องมากน้อยสันโดษการไม่คลุกคลียการปรารบความเพียรพูดถึงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติยานัศสนะอันนี้เป็นเรื่องที่สมควรแก่เอามาพูดคุยกั น, นกะถาวัตถุสิบก็เป็นส่วนหนึ่งของพระธรรมเทศนานั่นแหละอันนี้ในที่หนึ่งนะว่าถ้าจับกลุ่มรวมกันก็ให้ฟังธรรมสนทนาธรรมสนทนาอริยศสต ร, ร์หรือสนทดา คถาวัตถุสิเป็นต้นนั่นเองที่สองนิ่งอย่างพ้าอริยะคำว่าอริยะนี่โดยสับก่อนนะอริยะนี่เพราะอะไรเพราะนำประโยชน์มาอย่างแท้จริงนำประโยชน์ไหนก็คือประโยชน์คือพระนิพพานเพราะว่าผู้ที่เป็นผ้าอริยะก็คือผู้ที่แทงตลอดพระนิพพานอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าอริยะเพราะเป็นผู้บริสุทธิ์คือสูงสุดตัวนี้พาโวคือการไม่พูดกัน ขออภัยการไม่พูดอันเป็นตัวสมถภาวนาและวิปัสนาภาวนาคําว่านิ่งก็คือนิ่งด้วยสมถะและนิ่งด้วยวิปัสนาบางท่านบอกว่านิ่งด้วยทุติยะฌานบางท่านบอกว่านิ่งด้วยจตุทัชฌานในที่นี้มีอธิบายดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอมีกายสงัดอยู่ในสุญยาคารสุญยาคารก็คือที่ไหน ที่ทุฏิที่เงียบๆ น, นะที่หลืกเล้นสะุญญากาศแปลว่าหรืออาคารว่างนะก็เพื่อจะพอกพูนจิตตวิเวกนะไปอยู่ในที่เงียบๆไปอยู่ตามกุฏิต่างๆก็ไปเจริญกรรมฐานเจริญเมตตาเป็นต้นเพื่อให้จิตสงัดจากนิวรณ์เป็นต้นนั่นแหละถ้าพวกเธอจะประชุมกันเป็นบางครั้งนะมีกิจต้องได้ประชุมกันนะครั้นพวกเธอประชุมกันอย่างนี้พึงให้ทำมรรคา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 เหตุนี้เนี่ยนะเรคิดดูนะพระพิสุทธ่าไม่คุยกันเรื่องนี้ไปคุยเรื่องอะไรนหนักๆเข้าก็ไปบริหารบ้านเมืองแทนคารวาสเขาหมดเลยในสภาในสภานักบวช ด, ด้วยกันเนี่ยนะทำอะไรก็ไม่ได้ท่านกิจที่สมควรที่จะไปะกิจที่สมควรของพระพิสุที่บวช ด, ด้วยศรัทธานั้นก็คือการสนทนาธรรมะ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 เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงอย่างไรรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เป็นอนัตตาอย่างไรสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์สังขารทั้งปวงไม่เที่ยงทำทั้งปวงเป็นอนัตตาเนี่ยเป็นอย่างไรก็มาสนทนากันนี่นะตามนัยยะที่กล่าวได้แล้วนี่นะเพราะนั้นการสนทนากันเนี่ยย่อมทำให้ได้ฟังในสิ่งที่ยังไม่เคยฟังนะเพราะว่าไปสนทนากับผู้ที่มีความรู้ เขาก็หยิบยกเอาพระธรรมต่างๆที่ยังไม่เคยฟังให้ได้เคยฟังหรือสิ่งใดที่เคยฟังแล้วก็ทําสิ่งที่เคยฟังนั่นแหละให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเห็นไะในีใน้ในที่หนึ่งก็คือสนทนากันอย่างที่2องก็พึงอยู่ด้วยฌานสมาบัติเพื่อจะได้ไม่เบียดเบียนแก่กันและกันก็อยู่ด้วยสมถะและวิปัสสนาเนี่ยนะก็ไม่มีอะไรก็นั่งคิดให้อะไรนะไม่มีอะไรคุยจริงๆก็นั่งคิดให้คนรอบๆมีความสุขก็แล้วกัน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 ความตายเหมือนกันหมดนะก็จะเจริญมรณานุสติก็ได้นะหรือจเจริญธาตุสี่ก็ได้นะก็จะเจริญได้ทั้งหมดแหละปัญหาว่าจ ะ, จะเจริญหรือเปล่าแค่นั้นแหละต่อไปบรรดากรณียกิจสองอย่างนั้นสองอย่างคืออะไรทวนนี่ยกรณียกิจสองอย่างหนึ่งสนธนาธรรมสองนิ่งอย่างพระอริยะกรณีแรกคื อ, อใช้คำว่าธรรมมีกถาดีกว่านะการกล่าวธรรมเนี่ยรรมีถา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 สิกขา3าเนี่ยนะเราที่จะยังลงสู่อธิศิลสิกขาอธิจิตตสิกขาอธิปัญญาสิกขาได้ก็ต้องอาศัยธรรมมีกระถาคือการกล่าวธรรมคือการฟังธรรมก่อนกรณีอย่างกรณีหลังก็คือนิ่งอย่างอริยะหมายถึงการแสดงอุบายเป็นเครื่องสลัดออกจากสังสารวัตสสำหรับผู้ที่ยังลงสู่สาศาสนาแล้วพัน้าหากว่าเข้าใจทิศทางเข้าใจแนวทาง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 คืออธิศีลสิกขาที่จิตตสิกขาที่ปัญญาสิกขาก็มันสงบนิ่งเงียบเพื่อที่จะเจริญสิกขาสามจะได้สลัดออกจากสังสารวัตสลัดออกจากสงสารสงสารตัวนี้เนี่ยไม่ใช่ภาษาบาลีนะอ้ภาษาไทยนะสงสารภาษาไทยแปลว่าเห็นใจมากอันนี้หมายถึงสังสารวัตนิ่งยังไงที่จะออกจากขันธธาตุอายตนะได้ นิ่งอย่างไรที่จะออกจากตาหูจมูกเลิน้นกายใจยได้นิ่งอย่างไร ท, ที่จะออกจากดินน้ำไฟและลมได้อันนั้นแหละคือนิ่งแบบพระอริยท่านเพราะท่านนิ่งเพื่อจะออกจากทุกเนี่ยนะนิ่งเพื่อที่สลัดออกจากวัตตะกรณะแรกที่บอกทำมีกระถาหมายถึงพระองค์นี้ชักชวนในความเป็นผู้เชี่ยวชาญในอาคมอาคมนี่หมายถึงปริยัติธรรมนะ พันการฟังทำการแสดงธรรมเนี่ยทำให้เชี่ยวชาญในปริยัตินะให้เชี่ยวชาญในพระวินยัยพระสูตรและพระอภิธรรมส่วนนิ่งแบบพระริยะนิสพระองค์ชักชวนในความเป็นผู้เชี่ยวชาญในอธิคมคือชักชวนในอริยมรรคอริยผลและนิพพานอธิคมนั้นแปลว่าการตรัสรู้นั่นเองกรณียะที่หนึ่งคือทำมีกระถาแสดงเหตุที่ทําให้เกิดสัมมาทิฏฐิ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 ปัญญาพระองค์เลยตรัสว่าภิกสุทั้งหลายเหตุสองประการปัจจัยสประการเหล่านี้เป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นแห่งสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิมี 5, 5้อย่างนะหนกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิสองฌานสัมมาทิฐิ3วิปัสสนาสัมมาทิฏฐิ4ี่มัคสัมมาทิฐิ5ผลสัมมาทิฐิสัมมาทิฏฐิเหล่านี้เนี่ยนะเหตุปัจจัย2ประการทําให้เกิดขึ้นคือ1 ประโตโคสะการได้ยินได้ฟังพระธรรมจากผู้อื่นเขากล่าวอาศัยผู้อื่นเขาแสดงธรรมให้ฟังก็ทำให้เกิดสัมมาทิถฐิมีกรรมสักตาสัมมาทิถฐิเป็นต้นอย่างที่สองโยนิโสมนัสิการก็คือการทำไว้ในใจโดยเย็บขายเฉพาะตนอันนี้ต้องทำเองนะการคิดพระธรรมนี้คนอื่นช่วยคิดเราได้ไหมช่วยคิดแทนหน่อยสิได้ไหม ช่วยเจริญสมร t h แทนหน่อยช่วยเจริญเมตตาแทนน้อยสิยังไงไม่ได้เนาะท่านพวกชาการเรื่องกรรมเรื่องวิปัสสนาเป็นต้นเนี่ยอันนี้ต้องเป็นเรื่องเฉพาะตัวแล้วนีถ้าทําแทนกันได้นะ่ยป่นี้คนกินข้าวเผื่อกันหมดแล้วอีกอย่างหนึ่งนี่ยเนามีหลายในเหลือเกินนะราะคําว่าพระพุทธพจน์ที่พระองค์บอกว่าทำมีคาถากับนิ่งอย่างอริยานี่มีหลายความหมายมากต่อไปความหมายในอื่นอีกว่า ทำมีคาถาเนี่ยประกาศมูลเหตุแห่งสัมมาทิฐิฝ่ายโลกิยะการฟังธรรมเนี่ยนะเป็นเหตุให้ได้โลกิยานะส่วนโยนิโสมนัสิการที่เรียกว่า น, นิ่งอย่างผ้าอริยะแสดงถึงมูลเหตุแห่งสัมมาทิฐิฝ่ายโลกุตระตรงนี้ยกตัวอย่างมากี่ในอันไหนะก็ไนยะแรกหมายถึงเป็นเหตุให้ยังลงสู่พระศาสนากับเป็นเหตุให้ออกจากวัฏะในที่สอง ให้เชี่ยวชาญในปริยัตและมักผลในที่สามเป็นเหตุให้เกิดสัมมาทิฐิคือโยนิโสปอ่ะโยนิขออภัยปตโขโะกับโยนิโสมาสิการในที่สี่ก็คือเหตุให้ได้ปัญญาฝ่ายโลกิยะและโลกุตระอันนี้เป็นอ น, นะอีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งะมีตั้ง4ี่ครั้งใช่หัหยหลังจากที่พระองค์ทราบเนื้อความนั้นเอตมัตถังวิธิตวาความว่าทรงทราบโดยประการทั้งปวงถึงความนี้ว่า สมบัติมีฌานเป็นต้นยังสงบกว่าและประนีตกว่าสมบัติที่หน้าใคร่อันภิกษุเหล่านั้นระบุถึงฌานเนี่ยนะความสุขในเมตตาเป็นต้น่ะที่เกิดจากฌานเนี่ยความสุขยิ่งกว่าความสุขของพระเจ้าพิมพิสารยิ่งกว่าความสุขของพระเจ้าประสเสนที่โกศลพระองค์นี่ก็ปรารบถึงความสุขเหล่านั้นพระองค์ก็เลยอุทานแสดงอนุภาพ แห่งความสุขที่เกิดจากอริยวิหารอริยวิหารเนี่ยนะเขาก็มีวิหารเนี่ยเครื่องอยู่มีกี่อย่างนะหอิริยาบถวิหารวิหารเนี่ยแปลว่าที่อยู่นะหรือเครื่องอยู่เนี่ยนะหอิริยาบถวิหารสองพรหมวิหารสามทิพภวิหาร 4. อริยวิหารอันนี้พูดอริยวิหารคือโลกุตระเลยอริยวิหารที่ที่พระผู้มีพระภาคแสดงหมายถึงว่ากามสุขในโลก และที่ะสุกไม่ถึงเซี่ยวที่16แห่งสุขที่เกิดจากความสิ้นตัณหาเนี่ยนะคำว่าในโลกโลกสัพก็มีหลายในที่บอกว่าคำว่าโลกในที่นี้คือในพระพุทธพจน์เมื่อกี้หมายถึงสัตว์วโลกและโอกาสโลกเพราะฉะนั้นในโลกนี้โลกนี้คือโลกนี้แค่ไหนภายใต้จำเดิมแต่อเวจีขึ้นไปเบื้องบนแต่รูปประพรมลงมาอนเรียก ความสุขที่ชื่อว่าเกิดพร้อมด้วยกามเพราะอาศัยวัตถุกามเกิดขึ้นด้วยกิเลสกรรมนะนะบทว่ายันจิทังที่วิยังสุขังความว่าสุขอันเป็นทิพย์และสุขอันเกิดจากรูปสมาบัติของพวกพรหมและของมนุษย์อันได้ด้วยทิพพระวิหารนี้ใดความสุขอันเกิดจากพระสมาบัติที่เป็นไปเพราะกระทำพระนิพพาน ซึ่งมีตันหามาถึงความสิ้นไปให้เป็นอารมณ์เพราะสงบประงับตันหาเสียได้ชื่อว่าสุขอันเกิดจากความสิ้นตันหานั่นแห่งความสุขอันเกิดจากความสิ้นตันหานั้นความสุขที่เกิดจากความสิ้นตันหามีค่าหรือเยี่ยมกว่ากามาสุขเป็นต้นเนี่ยนะอะไรนะสุขที่เกิดจากความสิ้นตันหานี่หาร16แล้วนะเอาหนึ่งใน16นะั้นอ่ะก็ยังสุขมากกว่า มากกว่ากามมาสุขโละสะโลสิ ง, ง น, นะนะโสรสาก็คือ16อหนะที่เต็มเต็มของส่วนส6ในข้อนี้มีเนื้อหาโดยย่อต่อไปว่ากามมาสุขที่เกิดในกามมากามาโลกทั้งส1ประการเช่นอะไรสุขของมนุษย์ในมนุษย์สูกเช่นใครบัางที่มีความสุขพระเจ้าจากกักรพรรดิเป็นต้ น, น่นะก็มีความสุขนะหรือสุขในเมืองนาสุขของนาสุขของครุฑ พวกนาคพวกครุฑเขาก็มีความสุขนะพวกนั้นบางพวกก็มีเป็นทิพย์นะหรือการมาสุข6กอย่างในเทวโลกมีสุขในจาตุมดาวดึงยามาดุสิตเป็นต้นและความสุขอันเกิดแต่โลกิยาฌานสุขที่เกิดจากปฐมฌานทุติยฌานตัติยฌานเป็นต้นเนี่ยนะหรือเรียกว่าสุขที่เกิดในรูปประพรมอรูปประพรมสุขในรูปประฌานอารูปประฌานที่เป็นทิพวิหารหรือพรหมวิหาร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 ไม่ได้เศษเสี่ยวของสุขที่เข้าพระสมาบัติเลยนะสุขที่เกิดจากการเข้าพระสมาบัตินี่ถือว่าสุขที่สุดแล้วโสดาปฏิผลเนี่ยยังสุขกว่าเนวสัญญานาสัญญายาตนะนะสุขกว่าปฐมฌานไล่ไปจนถึงเนวสัญญาณาสัญญาญตนะสุขกว่าอย่างอื่นทั้งหมดเนี่ยอนุภาพแห่งโสดาปฏิผลสมาบัติจะกล่าวไปยายถึงอรหัตตผลสมาบัตินะนะว่าอรหัตผลสมาบัติจกสุขปานใด สุขจนไม่เอาอย่างอื่นแล้วนะเดี๋ยวสูตรข้างหน้าจะมีบอกสุขนอสุขน้อเ น, นี่ยนะก็การพันานาอัถฐนี้ท่านกล่าวไว้โดยความเสมอการแห่งพร ะ, พระสมมาบัติเพราะทำเป็นที่สิ้นตัณหามาแล้วในพระบาลีโดยไม่แปลกกันท่านก็คําว่าความสิ้นตัณหาหมายถึงอะไรโสดาปติพนสมมาบัติสกธาคามีผลสมาบัติอนาคามีผลสมมาบัติและอรหัตผลสมมาบัติ โลกิยสุขไม่ถึงเซี่ยวแม้ความสุขอันเกิดแต่พระสมาบัติที่หนึ่งเลยนะไม่ได้เศษเสี่ยวของโสดาปฏิพลสมาบัติเลยสมจริงดังพระพุทธพจน์ที่พระองค์ตรัสว่าโสดาปฏิพลประเสริฐกว่าความเป็นเอกราชในแผ่นดินกว่าการไปสวรรค์หรือกว่าความเป็นใหญ่ในโลกทั้งมวลพรานความเป็นพระโสดาบันเนี่ยยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วเนี่ยนะ ประเสริฐที่สุดแต่ประเสริฐกว่าไม่รู้จะเอาอะไรมาเทียบอีกแล้วในในโลกนี้นะไม่รู้จะเอาดินน้ำไฟลมอะไรมาเทียบแล้วไม่รู้จะเอาความเป็นใหญ่แค่ไหนมาเปรียบเทียบเพราะว่าโซดาปฏิผลเนี่ยเป็นสิ่งที่ประเสริฐจริงๆของเราถ้าใครได้โซดาปฏิผลสักคนหนึ่งอาจจะได้มาเล่าให้ฟังว่าประเสริฐแค่ไหนนะ <c oughs> แม้ในโสดาปฏิผลสังยุทธ์นะนะโสดาปฏิสังยุทธ์สังยุตตนิกายมหาวราระพระองค์ก็ตรัสไว้ว่าที่สุดทั้งหลาย พระเจ้าจักรพรรดิทรงครองราชสมบัติเป็นอิสริยาทิปักแห่งทวีปทั้งสี่เบื้องหน้าแต่สวรรคตย่อมเสด็จเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ถึงความเป็นสหายของเทพชั้นดาวดึงพระองค์มีนามอับสอนแวดล้อมและเพียบพร้อมไปด้วยกรรมคุณห้าอันเป็นทิพย์บำเรออยู่ในสวนนันทวันสวนนันทวันก็คือสวนเป็นที่ตั้งแห่งความเพลดิดเพลินนั้นน่ะแต่พระองค์ก็ไม่ประกอบด้วยธรรมสี่ประการแม้โดยแท้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 คิสสู่ทั้งหลายพระอริยาสาวกยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยคำข้าวและผ้าเปื้อนผ้าเปื้อนฝุ่นและเธอก็ประกอบด้วยธรรมะสประการถึงอย่างนั้นเนี่ยนะถึงถึงอะไรถึงจะฉันบินอาหารบินธบาตมีผ้าเปื้อนฝุ่นเธอก็พ้นจากนรกเธอพ้นจากเปรตเอ่อกำเนิดเดรัจฉานพ้นจากเปรติวิสัยพ้นจากอบายทุกคติวินิบาศ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 สัมมาสัมพุทโธฟังแล้วก็เงาอย่างเงี้ยถ้าอย่างงี้ก็อย่าว่าไม่ว่านอะไรนะศรัทธาไม่หวั่นไว้เลยยังไม่มีศรัทธานี่สิมันลําบากศรัทธามีบ้างไม่มีบ้างก็ค่อยอยังชั่วหน่อยใช่ไหมดีกว่าเงาไปเลยนะเงีบไปเลยนะบางคนนี่กลายเป็นว่าไ อ, อิติปิโสหรืออรหังสัมมาสัมพุทโธกลายเป็นคําที่น่ารําคาญมากเหมือนกันอันนี้ประกาศถึงไม่มีศรัทธาเอาเลย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 ได้และให้ผลได้ไม่จํากัดการเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดเป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวเป็นธรรมที่อุคติตัน ญ, ญูวิปปัญจิตัน ญ, ญูและเนยะบุคคนจะพึงรู้ได้เฉพาะตนอันนี้มีศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่หวั่นไหวจริงๆเลยนะีว่าสวากขาโตพระธรรมพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วพวกที่ไม่มีศรัทธาก็บอกนั่นปริยัตทั้งนั้นเลยกว่างัน อันนี้คือพวกที่ไม่มีศรัทธาปฏิเสธปริยัติเป็นต้นการปฏิเสธปริยัตเนี่ยประกาศถึงความเป็นผู้ไม่มีศรัทธาเลยถ้าถ้าตําหนิปริยัตเนี่ยนะพ่ามาว่าใครตําหนิปริยัตเนี่ยต่อไปอย่าสวดเลยสวาขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเพราะปริยัตเนี่ยคืออะไรคือธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเพรันเขามีศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวจึงจะเป็นพระโสดาบันได้แต่ถ้า ผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นพระโสดาบันเลยก็ปัตปตมิปริยัติปฏิเสธปริยติประกาศถึงว่าไม่มีคุณสมบัติของความเป็นพระโสดาบันอยู่ในใจเลยและเชื่อด้วยว่าไม่มีอัธยาศัยที่จะจ ะ, จะทําให้เป็นพระโสดาบันด้วยเพราะอะไรเพราะปฏิเสธพระรัตนต ร, รัยปฏิเสธสวากขาโตพะคะวตาธ ร, รมโมตั้งแต่ต้นแล้วแต่ขนาดนั้นคนผ่านทั้งหลายก็อับโลกไปเสกให้เป็นอริยะบุคคลเนี่ยนะก็ เป็นเรื่องที่น่าเศร้าแต่อย่าโศกเลยทีนี้ต่อไปเป็นผู้มีศรัทธาไม่ห ว, วั่นไหวมีอาจาระศรัทธาในพระสงฆ์นะว่าผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วปฏิบัติตรงแล้ ว, ป ฏ, ลวปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วปฏิบัติสมควรแก่การกราบไหว้เป็นต้นคือคู่แห่งพระอริย บ, บุคคลสี่ โค่นนเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษนั่นแหละสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า น, นะเป็นผู้ควรแ ก, ก่<ม>การบูชาสาการะควรแ ก, ก่เครื่องเรียกว่าควรแ ก, ก่ของฝากเป็นต้น น, นะควรแก่การทำบุญอุทิศไปให้อามนุษย์ทั้งหลายเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่านันผู้ที่มีศรัทธาเนี่ยนะบางคนก็อย่างว่าตำหนีพระอ น, นุนอย่างเงนะี้ยมันก็หมดสิทธิ์อยู่แล้วที่จะ ตรัสรูเนีนะถ้าตำหนิ Humans, พระอริยะทั้งหลายเนี่ยก็ตรัสรูไม่ได้หรอกแล้วข้อต่อไปก็คือเป็นผู้ประกอบด้วยอ <sun arrivé S 2> ร, ริยะกันตะศีนคือเป็นศีลที่พระอริยะเจ้ารักใคร่เป็นศีลที่พระอริยะเจ้าพอใจอริยะกันตะนี่แปลว่าการตะนี่แปลว่าพอใจน่าพอใจนี่นะเป็นศีลที่ไม่ขาดไม่ด่างไม่พร้อยไม่ทะลุเป็นศีลที่เป็นไทยเป็นวินเป็นศีลที่วินยูชนใคร่ครวนแล้ว ตำหนิไม่ได้และเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิเนี่ยนะเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิอริยสาวกเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมสีประการนี้คือมีศรัทธามั่นคงไม่หวันไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และมีอริยกัตรตเีินภิกษุทั้งหลายการได้ทวีบ4ี่เนี่น่การได้ธรรมสี1หนึ่งการได้ทวีบสไม่ถึงเซี่ยวที่16ของการได้ธรรมสี่ คิดดูนะว่าการได้โลกสมมุติว่าให้เราเนี่ยเป็นใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยครองครองทวีปคือครองเกาะใหญ่ๆหรือครองทวีปทั้งสี่ทวีปใหญ่เลยเนี่ยนะกับการได้ศรัทธา ม, มั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีอารยการตศีสินเนี่ยแผ่นดินใหญ่ทั้งหมดเหล่านี้ไม่ได้เศษเสี้ยวที่สิบหกของการได้โสตาปฏิยังฆะธรรมสี่ประการเนี่ยนะมันก็น่าคิดนะว่า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 เพราะเท่ากับเป็นการสแสวงหาความปิดอบายทุขติวินิบาตและนรกกำเนิดสัตว์เดรัจฉานสแสวงหาการปิดบาปปิดอกุศลเนี่ยนะปิดการเป็นไปในสังสารวัตมีภพที่8เป็นต้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจำแนกโลกิยสุขว่ายิ่งว่าเป็นด้วยว่าเป็นไปกับด้วยความดียิ่ง ทรงจำแนกเฉพาะโลกุตระสุขว่ายอดเยี่ยมว่าดียิ่งในที่ทุกสถานด้วยประการชนีก็คือโลกุตระสุขเนี่ยสุกยิ่งกว่าโลกิยะสุขโดยประการทั้งปวงมันสรุปว่าโสดาปฏิผลดี ย, ยิ่งใหญ่กว่าทุกชนิดยิ่งในโลกนี่นะในโลกิยะทั้งหมดเนี่ยโสดาปฏิผลประเสริฐที่สุดแต่ถึงกระนั้นโสดาปฏิผลก็ยังไม่เอไม่เท่าสกัทธาคามีผลสกัทาคามีผลก็ยังไม่เท่า อาาคามีผลอนณาคามีผลก็ยังไม่ถึงอรหัตผลอรหัตผลของบุคคลทั่วไปก็ไม่ถึงอรหัตผลของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระพุทธอรหัตผลของพระพุทธเจ้าเนี่ยเลิศประเสริฐที่สุดแล้วนั่นะนะผู้ใดที่มีศรัทธาใน อ, อริยมรรคอริยผลก็ชื่อว่ามีศรัทธาในาพระธรรมศรัทธาในพระธรรมเนี่ยเพราะพระธรรมคือปริยัตรรรอริยมรรคอริยผลและนิพพานผู้ที่ตรัสรู้ปริยัตอริยมรรคอริยผลนิพพานเรียกว่า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 อยได้ห่างจากพระธรรมพระสงฆ์และอย่าได้ห่างจากศิกขาเป็นต้นเลยขอให้มีศรัทธามั่นคงไม่หวนไหวไม่เปลี่ยนแปลงในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์และในศีลเลยเนี่ยนะสิ่งเหล่านี้ต้องตั้งความปรารถนาตั้งอัธยาศัยขึ้นถ้าไม่ตั้งความปรารถนาไม่ตั้งอัธยาศัยขึ้นบางทีไม่ยอมหรอกบออะไรนะทางเลือกสุดท้ายคือพระรัตนะไตรใช่ไหมเมื่อหมดเรื่องอื่นหมดแล้วค่อยว่าอีกทีเหมนนนะนย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 ผู้ใดสแสวงหาความสุขเพื่อตนย่อมเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายผู้ใคร่ความสุขด้วยท่อนไม้ผู้นั้นย่อมไม่ได้ความสุขในโลกหน้าก็คือตัวเองเนี่ยต้องการความสุขใช่ไหมแล้วไปเบียดเบียนผู้อื่นชาติหน้าจะประสบความสุขหรือส่วนผู้ใดสแสวงหาความสุขเพื่อตนไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายผู้ใคร่ความสุขด้วยท่อนไม้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 ซึ่งได้รับความหิวกําลังเลื้อยออกจากโพรงไปหากินแล้วก็จะใช้ไม้ตีงูเห่าอ่นะถ้าบางคนเนี่ยที่จงเกลียดจงชังงูบอกเห็นด้วยเห็นด้วยฆ่าไปเลยอย่างเงี้ยนะเห็นงูเห่าปล่อยมันได้ยังไงอย่างเงี้ยนะบางทีพวกศึกษาธรรมะก็ยังเป็นเลยนะนนนะก็พวกศึกษาอยู่นะยังไม่บริบูรณ์บางทีเออฆ่ามันเลยฆ่ามันเล ย, าาเลยอย่างเงี้ยนะค่อยคุยกันอีกทีอย่างเง้ยนะเห็นตะขาบเป็นตัวเนี่ยฆ่าก่อนฆ่าก่อนแล้วค่อยคุยอย่างทีนี่ก็เหมือนกันนั่นแหละ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 จริงอยู่ฆ่างูได้แต่ตัวเองจะต้องถูกฆ่าอยู่ร่ำไปในอนาคตดีตรงไหนใช่ไหมฆ่างูชาตินี้ชาติเดียวแต่ชาติต่ อ, ต, อต่อไปเนี่ยจะต้องถูกฆ่าอีกกี่ชาติอย่างในเรื่องอะไรนะอีกาตัวหนึ่งเนี่ยมันบินบินบินบิ น, บ น, บนไปสวมบ่วงนะครับบ่วงที่เป็นไฟนะลูกห่วงยางไฟอะลูกห่วงไฟเนี่ยบินไปสวมเคราะตายพอดีเลยเขาก็บอกว่าในอดีตเนี่ยนะ การที่เป็นอย่างนั้นก็คือเนื่องจากเคยฆ่าโคเอาไว้เพรันผู้ที่ฆ่าสัตว์เอาไว้เนี่ยนะหนีไปที่ไหนจะพ้นจากความตายพราะถ้าหากว่าเราบอกว่าเราต้องการความสุขลงทุนฆ่าสัตว์อื่นเลยคิดหรือว่าชาติต่อต่อไปพบต่อต่อไปจะประสบความสุขตัวเองจะต้องถูกฆ่าอีกกี่ชาติเนาะไอการที่ถูกฆ่านี่มันเศษเสี่ยวแล้วเพราะตัวกรรมจริงๆเนี่ยพาให้หมกไห่้อยู่ในนรกพ้นมาจากนรกก็อยู่ที่ไหนก็ถูกฆ่า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 ผู้อื่นคนอื่นเพราะตัวเองเนี่ยรักความสุขเนี่ยนะพนพระองค์เนี่ยรู้ความเป็นไปเหล่านั้นอ่ะพระองค์ก็แป่งอุทานที่ประกาศโทษของการเบียดเบียนสัตว์อื่นและอนิสง์ของการอนุเคราะห์สัตว์อืนอ่นนะโทษของการเบียดเบียนสัตว์อื่นกับอ น, นิสงของการอนุเคราะห์สัตว์อื่นข้อความในคาถาที่บอกว่าผู้ใดแสวงหาความสุขเพื่อตนย่อมเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายผู้ใคร่ความสุขด้วยท่อนไม้ ผู้นั้นย่อมไม่ได้ความสุขในโลกหน้าอธิบายว่าสุขขากา ม, มานิได้แก่ผู้ติดอยู่ในความสุขก็คือปรารถนาะความสุขคือปรารถนาให้ตัวเองประสบแต่ความสุขไปเบียดเบียนสัตว์อื่นด้วยท่อนไม้ด้วยเครื่องประหารด้วยก้อนดินสาตตาประหารด้วยมือเป็นต้นหรือด้วยการลงโทษทำสัตว์อื่นให้ลำบากหรือว่าไปทาอาทญาทางกายทางวาจาและทางใจนะอาทญ า, าทางวาจาเช่นด่ากระทบเขาเป็นต้น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 ไม่ให้ผลเป็นร้อยร้อยเท่านะพันถ้าทําบุญก็วิบากแห่งบุญก็ร้อยร้อยเท่าเหมือนกันถ้าทําบาปล่ะผลแห่งบาปก็ให้ผลเป็นร้อยร้อยเท่าพันทวีคูณพรันบุญก็น้าบาปก็น่ากลัวบุญก็น่าปรารถนาเพราะะฉนั้นผู้ใดปรารถนาความสุขที่แท้จริงเนี่ยอย่าทําบาปจะด้วยเหตุผลใดก็อย่าทําบาปเพราะผู้ที่ทําบาปจริงอยู่ทําเพื่อจะได้ประสบสุขแต่นั่นเป็นเหตุแห่ง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 เราปรารถนาความพ้นทุกข์เขาก็ปรารถนาความพ้นทุกข์เป็นต้นเนี่ยก็มีเมตตาของเขาเห็นใจเขาก็เลยตั้งอยู่ในสัมปัตตวิรัติเป็นต้นประสบอะไรก็ไม่ทําบาปไม่ยอมล่วง น, นะไม่ยอมจะให้บาปเนี่ยเข้ามาได้ไม่ยอมไปไปทําบาปทําอกุศลก็เลยไม่เบียดเบียนสัตว์อื่นไม่ทําสัตว์ทั้งปวงให้ลําบากนะะก็อย่างที่เราทั้งหลายสมาทานศีลเป็นต้นเนี่ยก็คือการตั้ง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 เพราะฉะนั้นเราจะให้อภัยทานเราจะให้ชีวิตเป็นทานนะก็เลยสมาทานที่จะงดเว้นไม่ยอ ม, ยมทำให้เขาลำบากนะนะก็เลยเรียกว่าสมาทานละปานาธิบาตเว้นขาดจากปานาธิบาตวางอาทยาวางศาสตราวางอาวุธมีใจอนุเคราะห์มีใจเอือ้อเอ็นดูปรารถนาให้เขาเนี่ยประสบความสุขปรารถนาให้เขาพ้นจากความทุกข์ก็เลยเรียกว่าสมาทานศีล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 พระงก็บอกว่าถ้าบาปมันให้ผู้ที่ทําบาปไปแล้วเนี่ยให้นี้ไปอยู่ในโน่นแหละซอกเขาไปอยู่ทําไหนจึงจะพ้นไปอยู่ใต้ดินเลยทําบ้านใต้ดินหลบให้มันดีๆหนาแข็งแรงอ่ะนะเขาจะได้ไม่ฆ่าเราได้พ้นไหมรอดไหมถามว่าไ ม, ไม่รอดเนี่ยนะฆ่าตัวตั้งหลายเป็นหมื่นล้านเนยนะจับได้ฆ่าได้เนี่ยโอ้โได้เป็นหมื่นล้านเลยแสดงว่าถ้าบาปมันให้ผลเนี่ยอยู่หนีไปอยู่ตรงไหนอ่ะซอกเขาไหนเอาหรือหนีไปอยู่กลางทะเลลึกเลย เขาก็ไปเอามาต้มอีกจนได้นั่นแหละนีะนี้ไปอยู่ตรงไหนเขาก็เอามาเห็นมาฆ่าได้เพราะสัตว์าาทั้งหลายเดราัชานนะไปอยู่กลางทะเลลึกนะเขายังเอามาต้มเอามาฆ่าเอามาเนี่ยนะตัวฉลามเนี่ยก็ไม่ใช่ตัวเล็กๆนะเขายังเอามาทำเนี่ยใส่หม้อใส่กระทะได้อ่ะนี้ไปอยู่ตรงไหนอ่ะถ้าบาปมันให้ผลเนี่ยนะโน่นแหละเพชรฆาตบางทีบินมาจากที่ไกลในธะ่รมชาติา คิดดูในะอย่างตะวันออกกลางเนี่ยนะคนข้าเนี่ยโอ้ยสั่งมาจากที่ไกลามากเลยนะสั่งเพชรข้าศมาไกลมากนั้นถ้าบาปให้ผลเนี่ยหลบไปเถอะหนีไปอยู่ตรงไหนนะ่ะนะไปอยู่ลุมไหนรูไหนนั้นพระองค์บอกว่าขอให้หนีเถอะหนีไปอยู่ท่ามกลางท่ามกลางมหาสมุทรก็ไม่พ้นจากความตายหนีไปอยู่บนฟ้าก็ไม่พ้นจากความตายหนีไปอยู่ที่ซอกเขาก็ไม่พ้นจากความตายสําหรับผู้ที่ทําบาปเอาไว้แล้ว เพราะฉะนั้นบาปนี่นอะไรมันจะเผ็ดร้อนเท่ากับบาปอีกแล้วเพราะนั้นเจตนาที่เป็นเหตุฆ่าเนี่ยเป็นเจตนาที่เลวร้ายมากพราะนั้นใครที่เว้นจากการฆ่าได้เนี่ยคือการสแสวงหาทรัพย์เนี่ยเป็นศีลเพราะคนที่เว้นจากการฆ่าไม่เบียดเบียนตนในโลกนี้เพราะว่าไม่ต้องทําบาปที่ให้ผลในชาตินี้ใช่ไหมขณะเดียวกันเนี่ยเจตนาก็เว้นจากความชั่วที่จะให้ผลในชาติหน้าในชาติที่3เป็นต้นไปท่านการสมาทานศีลเนี่ย เท่ากับสมมาทานอุปนิสัยว่าศีลอันนี้จงเป็นปัจจัยให้อริยมัคศีลเกิดขึ้นถ้าอริยมัคศีลเกิดขึ้นด้วยโสดาปฏิมากรก็ปฏิเสธการฆ่าโดยประการทั้งปวงถ้าปฏิเสธการฆ่าโดยประการทั้งปวงก็ไม่ไปสู่อาบายทุคติวินิบาตนรกอีกต่อไปแล้วก็จะพ้นจากการฆ่าโดยประการทั้งปวงนั้นผู้ใดที่ตั้งสมมาทานเอาไว้ตามนัยยะที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะบุคคลนั้ น, ะ น, น, นตายไปแล้วก็เกิดเป็นมนุษย์ในปารโลก เมื่อเป็นมนุษย์ก็จะได้รับความสุขของมนุษย์ความสุขของมนุษย์ก็คือไม่เบียดเบียนสัตว์ตัวเองก็ไม่ป่วยไม่ไข้ใช่ไหมอโรคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคก็ถือว่าเป็นลาบมากแล้วใครไม่ป่วยไม่ไข้เนี่ยนะร่างกายของเราเนี่ยนะสมมุติถ้ามันมันป่วยหมดถ้าต้องสอมทีละอันทีละอันเนี่ยหมดตัวแน่มีทรัพบเท่าไหร่ก็ไม่พอใช่ไหมตาคู่หนึ่งถ้ารักษาแต่ตาอย่างเดียวเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นไม่หายสักทีนี่หมดเยอะนะ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 ก็จะประสบสุขทั้งประสบสุขที่สูงสุดคือสุขในพระนิพพานคิดว่าพระนิพพานสุขอย่างที่พระพุทธเจ้าเสวยวิมุติสุขใช่ไหมพระพุทธเจ้าเนี่ยเสวยความสุขเนี่ยไม่มีเลยใช่ไหมว่าฆ่าสัตว์แล้วเป็นบารมีเคมีไหมไม่มีพราะันพระองค์ที่บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเสวยวิมุติสุขทีละ7วัน7วัน7วันหรือแม้กระทั่งเสวยวิมุติสุขอยู่ทุกวันทุกวันหลังจากตรัสรู้นั้นเป็นผลจากกระเวนจากการฆ่า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 จนกว่าเศษกรรมเหล่านั้นจะหมดเนี่ยนะเมื่ อ, อไรจะหมดเนอบางคนก็ถูกฆ่ามาแล้ว500ร้อชาติเศษกรรมยังไม่หมดเลยอย่างเง้ยนะเพราะอะไรเพราะว่ากรรมที่เจตนาเนี่ยนะมันยิ่งใหญ่จริงๆนะมีอะไรมั่งที่จะยิ่งใหญ่เท่ากําลังแห่งกรรมกรรมนี่มีกําลังยิ่งใหญ่มากจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าเลือกได้จริงๆอะ่ะ ถ, ถ้าเลือกได้จะพูดงี้แล้ต้องเลือกเลยแหละวนะ่างั้นที่ต้องเลือกที่จะไม่ทําชั่วต้องเลือกที่จะเจริญความดีเพราะอะไร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 พันธุสิ่สำคัญที่สุดการศึกษาพระธรรมเนี่ยนะศึกษาให้เข้าใจเหตุผลให้เต็มที่ถ้าเราปรารถนาผลที่ดีเนี่ยนะเราก็มาดูที่เหตุนะถ้าทำผิดเหตุอย่างไรผลก็เกิดไม่ได้นะ